เสียมกล้องเสียงมแหลมๆมันบ่กกล้องไม่ได้ตกเยันหิดหน่อยพระใหม่ต้องสนใจหนังสือนะต้องท่องหีังสือติดมา้าติดมือท่องอย่าทิ้งเวลาให้ความสนใจให้มาก ทำวัดเช้าทำวัดเย็ยนมันไม่มากควรท่องให้มันได้ไม่ใช่อยู่แบบไม่มีพระปรังอะไรหน้าที่ของเราเต็มไปหมดหน้าที่รักษาวินยัยหน้าที่ปฏิบัติธรรมรักษาวินัยรวมไปถึงข้อวัดปฏิบัต ปัดกว่าเช็ดถูปูอาสนะวัดเชา้าทำวัดเย็นแสดงอาบัตศึกษาเรื่องอาบัตบัตเล็กกบัตน้อยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาทนเราไม่เราไม่ศึกษาเราจะได้อะไรเป็นข้อปฏิบัติเราต้องศึกษาหาข้อปฏิบัติ ศีลเราก็ศึกษาทแล้วก็ศึกษ า, กกษาจากนั้นแล้วก็ข้อปฏิบัติประจำวันเดินจงกรมเช้ากลางวันเย็นก็เดินเข้าไปเดินทั้งวันได้เลยก็ยิ่งดีนั่งภาวนาเช้ากลางวันเย็นตอนหัวค่ำดึกดึกใกล้สว่าง เราจะเปลี่ยนช่วงไหนเราจะเดินสะดวกช่วงไหนเราจะนั่งสะดวกช่วงไหนมันอารมณ์มันเป็นที่ทําให้เรานั่งสะดวกเราก็นั่งเราก็ตั้งใจนั่งช่วงไหนมันไม่สะดวกมันร้อนอากาศมันร้อนเราไปนั่งมันก็ไม่ไหวเราก็เดินเดินให้มากเดินทั้งวันอย่าเอาใจไปใส่อย่างอื่นให้มาก ที่มันไม่ใช่ขอวัดข้างนอกเธอไปนูป้นเธอไปนี่นะสนใจให้มากสนใจตัวเองให้มากการสนใจมากตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้มากๆนั่นแหละคือการตักตวงเอาความดีเข้าสู่ตัวเองต้องแต่งต้องตั้งใจทำ เราบวชเสร็จแล้วเราได้แค่เพศตอ่นั้นเองเพศผ้าเหลืองเพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองความดีดังกล่าวเนี่ยจะได้ต่อต่อเมื่อเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองอบรมกิริยากายด้วยศีลสัมรวมกิริยาวาจาด้วยศีลอบรมกิริยาจิตด้วยธรรม เอาทำเข้าไปตีจิตกันนะจิตที่มันโดดบินไปตามพิเลศเราทำไปใส่ให้มันให้มันนึกให้มันคิดให้มันพิจารณาหรือให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวมันสงบศีลก็ช่วยรักษาข้างนอกทำสมาธิก็ช่วยรักษาข้างในมันเป็นผลรายได้เข้าสู่หัวใจเราเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ เราทำไปได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ทำไปข้อวัดใดๆที่เราจะพึงทำตามเวลาอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดให้ตรงตามเวลาตอนเช้าๆนี่มาสลาดก็มาให้ตรงเวลาไม่ทันอยู่บ้างครั้งสองครั้งไม่ทันตลอดกาลนี่ไม่ใช่ละ ที่หลังเขาทุกครั้งไปทุกวันไปก็ไม่ใช่วันนี้อาจจะหลังเขาเราต้องขยับมาก่อนๆให้ได้ก่อนเขาให้ได้หรือมาให้ได้เวลาปกติของเราวาสลานี่สามที่สี่ 4, มันไม่ดึกดกที่สี่มันสว่างแล้วหละ ลุกก่อนนั้นสักชั่วโมงหนึ่งยังได้เลยที sáng วันลุกโดยโยกรมนังภาวนาอะไรจะสะด ược, วกเราก็ทําหนังสือไหนยังไม่ได้ตรงไหนเห็นว่าจะสะดวกเราก็ดูเราก็ท่องไปแต่ควรเราควรจะตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองไม่ใช่เราไม่อยู่อย่างอิสระแบบไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรไม่ใช่ ตอนเป็นพระนวกกานี่แหละขยันเขยันท่องขยนสวดเขยียนขอ้อวัดเขียนฝึกเขยียนอบรมช่วงปี3ปี4ปีหปีไปเขาไม่เรียกนวกะและ้วเดือนปีถึง3ปีถึง4ปีเขาเรียกพระนวกะนวันวังนวังมาจากนวังแปลว่าใหม่พระใหม่เลยนั้นไปแล้วเขาไม่เรียกว่าใหม่ล้ว ห้าพรษาขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่ามัตชิมะละจากห้าพรรษาไปถึงสิบพรรษาสิบพรรษาขึ้นไปเขาเรียกว่าเทระละวันคืนล่วงไปพร้อมกับการฝึกฝนอบรมตนให้พัฒนาไปตามนั้นตอนแรกๆนวะนวังนวังใหม่พระใหม่เนี่ยฝึกฝนอบรมให้เต็มที่อันไหนยังไม่ได้ก็เท่เาเรา ยังไม่ก็ต้องเอามีหัวยจํำดีหน่อยก็ต้องปฏิโมกให้ไปสวดมีหัวยจํำดีแล้วไปทลุงกับอย่างอื่นหมดงานหลักไม่ได้นี่ก็แย่ภาษาห้าขึ้นไปนี่หนึ่งภาษาสองบางคนก็ท่องบางคนท่องจบตั้งแต่ยังไม่เข้าภรษาบทก่อนเข้าภาษาอย่างนี้แหละ ยังไม่เข้าภรรษากนะ็ท่องปฏิโมกขจบแล้วจะสวดก่อนเข้าบรรษาด้วยซ้ำไปมีอยู่นะวัดนี้แหละที่พูด้นี่ยมันก็ตั้งใจท่องไม่มีไม่มีใครหัวดิบ ด, ดีวิเศษวิโสเหมือนกับเทพ อ, อัดเอาไว้ดอกตั้งใจทำความภาคความเพียรเพียรพยายามจริงๆนั่นแหละ เราฝืนอยู่นั่นแหละถูถยอยู่นั่นแหละเอาให้ได้อยู่นั่นแหละมันเป็นเครื่องทดสอบความอุตสาห์ความขยันมันเพียงเพรเราในตัวโดยอัตโนมัติที่เราเห็นเห็นติดมา้าติดมืออยู่เห็นกับตาอยู่เรายังเอายากถ้าเราจะเอาก็ไม่ยากเพราะของมันเห็นเห็นอยู่ไอ้สิ่งที่เรานั่งหลับตาหาเนี่ยสิมันลำบาก ีนี่เราเอาไม่ได้สิที่เรานั่งหลับตาหาเนี่ยมราจะหาได้ใช้ความเพียรมากกว่านี้อีกบทสวดต่างๆท่องให้มันได้ท้องอาทิตย์ท้องอานัทท่องทำให้จับท่องอะไรกับท่องไปรอดแล้วท่องเป็นเครื่องอยู่ธรรมเช้าทรมว่าเดียนท่องไม่นานให้มันได้ ถ้าท่องยังไม่ได้มาสวดทิศลาต้องมีหนังสือมาดูถ้าไม่ดูแล้วเราจะว่าอะไรนะเขาสวดเรานั่งภาวนามันก็ไม่เข้ามันก็ไม่เข้ากันยะท้าสัพพีอายุโดอักกตโตเวเย์่ัตสมิงปเดเซคุตาโภกาเนี่ยไปท่องให้ได้บทอนมทนาต้องท่อง หมดเพยเมตตาอิมีนาเนี่ยไปท่องให้ได้ธรรมวัตรเช้ชาธรรมวัดเย็นไปท่องให้ได้สับเปลี่ยนเวลาท่องเอาอันนี้คือหน้าที่ของเราที่พูดทั้งหมดเดี๋ยวคิดว่าเรามาอยู่ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่ทําเวลาล่วงไปก็มาพูดว่าไม่เห็นได้อะไรกดเจ้ของไม่เอามันจะไปได้อะไรเจ้าของไม่ทํามันจะได้อะไร วันคืนล่องไปล่องไปแล้วก็มาพูดพูดในะแทนที่จะดีสำหรับตัวเองนะไม่ดีสำหรับตัวเองซะอีกไม่เห็นได้อะไรทำลายตัวเองเหยียบย่ำตัวเองทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองลืมตัวให้สาคัญตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นสมณะหน้าที่ของสมณะที่เราทั้งหมด หน้าที่ท่องหน้าที่บนหน้าที่สวดมนต์หน้าที่ภาวนารักษาสิกขาวินยัยรักษาสํารวมระมรัดระวังกิริยากายกิริยาวาจ่าคำพูดให้มันเป็นธรรมต้องอดต้องทนทั้งนั้นแหละไม่อดไม่ทนมันไม่ได้ดอกใครก็อดก็ทนทั้งนั้น หลือเดินอดเหลือเดินทนเหลือเดินตายด้วยกันทั้งนั้นครุบาอจารย์ที่ที่มีรูปปั้นให้เรากราบนี่ยเหลือเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นนหะทนหนาวทนร้อนทนความอยากอยากพูดอยากคุยทนความเครียดเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนี้ทนเข้ามาันทนเข้าไปดูเข้าไปที่มันความเครียดนั่นหลังจากเคียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันดีไหม ในระหว่างเคียมมันดีไหมเดือดดานอยู่ในใจมันดีไหมไฟนั่นลนะ่ะโทสักขินาไฟคือโทสักโดยเจ้าสนทรงตรัสถโทสัขินาไฟคือโทสักราคะขินาไฟคือราคะกำนัดยินดีในในเพศกำนัดยินดีในโรคในสิ่งในของราคะขินากำนัดยินดี เวลามันกำนัดยินดีเนี่ยเราเห็นว่ามันดีเราเห็นว่ามันดีเพราะเราหลงเคลิมไปกับมันอวิชชาพาหลงเคลิมไปกับมันไม่ได้รู้พิษรู้สงอะไรมันราคะคีนาไฟกำลังไหมอยู่นะพระเจ้าท่านทรงตรัสว่าไฟไฟราคะคีนาไฟคือราคะก็ว่าราคะหมายถึงความกำนัดความยินดีในเพศอย่างหนึ่ง ในสิ่งของอย่างหนึ่งสิ่งของที่เป็นรูปที่เป็นเสียงที่เป็นกลิ่นที่เป็นอะไรนี่นแหละความกำลัดความยินดีความเพลินใจความพอใจขึ้นมาแต่ด้วยอำนาจของความหลงของจิตของเรานั่นก็เลยหลงเพลินไปกับผลงานของกามที่มันกำเริบในหัวใจยุบเจ้าตัวนั่นเราร้อนวนกวายอย่างนั้นแหละ กัรที่จะเอาน้ำคืออัดคือทำไปศาสตร์ไปฉโลมไปลูบไปชะไปล้างออกก็ไม่เอาไว้มันรูมร้อนให้มันเดือดร้อนอยู่นั้นนี่ความหลงของตัวเองลงขนาดนั้นราคะขีนาโทสักขีนามหักขีนาราคะโทสะเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจของความหลงนั่นแหละมันหลงไปกับความเพลินเพลินไปกับความหลง ไม่รู้สึกตัวคนหลงไม่รู้สึกตัวมันคนหลงทิศนี่แหละไม่รู้สึกตัวดอกทางนี้ด้านตะวันออกอยู่ทางนี้จนกว่าจะเห็นตะวันออกอ้าวตะวันออกทำไมอยู่ทางนี้วะพระอาทิตย์ทำไมอยู่ทางนี้นี่ยังไปเถียงกับพระอาทิตย์อีกนีพระอาทิตย์ทำไมมัอยู่ทางนี้วะเห็นไหมเอาความหลงร้องตัวเองไปเถียงกับมันอีกคนหลงทิศเป็นอย่างนั้นไะ หลงอารมณ์ของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นหลงอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสพรุทธะธรรมอารมณ์หลงอารมณ์ของตัวเองหลงติดใจกับรูปของตัวเองเสียงของตัวเองกลิ่นของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหลงทั้งนั้นแหละ ดูให้ดีดูให้ชัดเจนความจริงคืออะไรเราดูให้ชัดเจนหลงแล้วก็เสาะแล้วก็สแสวงก็ยึดหลงชังเนี่ยหลงช่างเครียดอยู่นั่นแหละแทนที่จะปัดเป่าให้พ้นออกไปไม่ไม่ปัดเป่าแล้วยึดอยู่อยู่นั้นอุ่นกินอยู่อย่างนั้นแหละหลงชังหลงอิจช้ากันริษยากันหลงโลภหลงโกรธหลงอิดชาริษยา หลงพยาบาทมันพาหลงไปหมดหรครับือชื่อว่าโมหะคือความหลงหลงแล้วก็ยังเกี่ยวข้องยังผูกพันที่ถ้าเรียกภาษาไทยถ้าเรียกว่าหลงไหลเห็นไหหลงไหลหลงไหลหลงไหลฝ่ยฝันกิเลสพาหลงบางคนไอกิเลสของตัวเองแท้ๆพาหลงไปสำคัญมั่นหมายว่าเขาใส่สิ่งใส่ของใส่อะไรไปทั่วมี นะโทษผิดผิดไปอย่างนั้นนะกิเลสในใจตัวเองไม่ยอมดูกิเลสมันพาหลงสำคัญว่าคนอื่นเขาใส่สิ่งใส่ของใส่อะไรไปทั่วแบบนี้ก็มีคุณชื่อว่าสัญญาความคาดความเดาของจิตนี่มันคาดมันเดาเห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ ไม่น่าจะอย่างงั้นนะไม่น่าจะอย่างนี้นะไอ้หน้ามันหน้าหรือไม่หน้าเหตุปัจจัยมันเป็นเรื่องของมันเองตัางหากจะเป็นเรื่องของคนอื่นเหตุปัจจัยของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเหตุปัจจัยของจิตของตัวเองถ้าเป็นเรื่องของแดดของลมของฝนมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันมันจะเป็นหน้าน่ะหน้าหน้าแหละเจ้าของหลงตัวเองหน้าจะหน้าจะอยู่นั่นแหละ พิจนายดีไม่มีอัตมีธรรมอยู่ในจิตในใจบ้างพอที่จะทําให้ใจเนี่ยมีความสว่างขึ้นมาบ้างความหลงคือความมืดมืดตึบนึกไว้ใจมีอัตมีธรรมอยู่ในใจบ้างใจดวงนั้นพอจะมีความสว่างสวายอยู่บ้างคนที่มีใจสว่างสวายคือคนรู้เหตุรู้ผล อันนี้เป็นเหตุของอันนี้อันนี้เป็นเหตุอันี้โอ้อันนั้นมีเป็นเหตุผลของมันอย่างนั้นอันนี้เป็นเหตุผลของมันอย่างนี้เราจะไปกะไปเกลียนอะไรมันคนนู้นก็มีเหตุผลเป็นอย่างนั้นของเขาเราจะไปกะเกลียนอะไรเขาคนนี้มีเหตุผลเป็นอย่างนี้ของเขาเราจะไปกะเกลียนอะไรเขาเรานังกะเกลียนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หอบแบกกองทุกมาทั้งวันทั้งคืนปัญหาข้างในให้เราแก้เป็น ปะญราข้างคือปัญหากิเลสเวลามันเกาะกลุ่มรวมหัวใจพยายามแก้ให้เปลียนแก้อะไรไม่เป็นกับภาวนาพุโทโธลูกเดียวตัดมันทิ้งไปเลยชักมันทิ้งไปเลยล้างไปเลยลบมันไปเลยอารมณ์ที่เป็นกิเลสไม่เอาอะไรลบเอาตีนลบก็ได้อารมณ์ที่เป็นกิเลส เ, เ, เป็นข เ, เนข้ อ, อปมา เราทำนั่นแหละไปพิจารณาเพื่อลบล้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นราคะิีนาโทสะขีนาโมหะิีนาเป็นไฟเพราะมันร้อนมันร้อนใจความร้อนของมันมันไม่ได้ร้อนเหมือนไฟแต่มันเป็นอารมณ์ที่ร้อนเป็นอารมณ์ที่รุนแรงตัาดดงราคะิีนาโทสะขินาโมหะิีนา อดีตตังชาติยาชารามรณะร้อนเพราะเกิดร้อนเพราะแกะ่ร้อนเพราะตายอดีตตังชาติยาชารามรณะโโเศร้ากหิปริเดเวหิทุเขโดโอมนัสเซอปายาเซหิเศ้าโศกวิโยคพลัดพฟากเสียใจเหี่ยวแห้งรักทมจมตรอมหัวใจมันผิดหวังไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละ ดูเวีนเปลีป่ยนไปเราอยู่ท่ามกลางฝึกฝนอบรมเพื่อให้รู้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้เพื่อเอามาต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นกิเลสนั่นแหละเราอยู่ท่ามกลางแล้วเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วเราจะไปโทษใครวันคืนล่วงไปเราก็บ่นว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรคนอื่นทําไมเขาได้อะไร เราทําไมไม่ได้อะไรเพราะเราไม่เอาวันคืนล่วงไปเปล่าๆไมเกิดประโยชน์อะไรแต่เรื่องของทำถ้าหากเราไม่ทําไม่จัดเราไม่ไม่จั ด, ไ ม, ไ, มจดไม่ทํากิเลสมันก็ทําแทนเอาใจหลวงขี้เกียจขี้คลานรักษาธรรมปฏิบัติธรรมนั่นแหละกิเลมันดึงไปถลุงแหลนทั้งวันทั้งคืน มันดึงไปถลุงได้เพลินเพลินใจไปกับมันะไม่เห็นโทษของมันหรอกนี่แหละมหามิตของเรานี่แหละมหามิตของเรานาไปมัดคอจนหายใจไม่ออกนี่แหละมหามิตของเราทั้งที่มันเป็นศัตรูก็ว่ามันเป็นมหามิต ด, ดูให้ดีดูให้ชัดเจนเราอยู่ท่ามกลางข้อปฏิบัติดูไปที่ ท่องบนสวดมนต์ภาวนารักษาศิกขาวิ น, นัยดูไปตรงนี้เราก็จะเห็นางานเราล้นไม้ล้นมือทำสิ่งใดก็ทำให้กับตัวเองท่านั้นทำสิ่งใดก็ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลให้กับตัวเองท่านั้นทำสิ่งใดก็ทำเพื่อปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองทั้งนั้ น, ใ, นใจเอาไม่มีใครช่วยเราอัตยัตโนนาโถช่วยตัวเอง คนอื่นบอกไม่เอาก็คือไม่เอาไม่ได้อะไรพระปัจจัยพระปัจจัยคนอื่นเป็นปะปัจจัยแต่ถ้าเป็นตัวเองดําริด้วยตัวเองเห็นดีเห็นชอบเห็นงามด้วยตัวเองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งความภาคความเพียรด้วยตัวเองเป็นอัตตาปัจจัยถ้าเป็นกุศลท่านเรียกว่ามหากุศล มันไม่ใช่กุศลธรรมดาธรรมดาเพราะคนเราที่จะมุ่งมั่นทําสิ่งใดให้มีเกิดผลสําเร็จขึ้นมาได้ต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเป็นการเป็นงานงานแบกงานหามงานขุดดินงานทั้งป่างานอะไรเนี่ยคนอื่นเขาบอกได้เราก็ทําตามคนอื่นแน่มันก็สําเร็จด้วยเราอีกเหมือนกันนั่นะ เขาบอกมาเราไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรแหละเขาบอกมาเราทาตามที่เขาทาให้ทาคนอื่นเป็นปรับปัจจัยอยู่แต่ก็มันไม่พ้นตัวเองนั่นแหละที่จะต้องจัดต้องทำยิงงานข้างในด้วยแล้วนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับตัวเองต้องใช้ฝึกฝนอบรมให้กับตัวเองลําริขึ้นด้วยตัวเองตักเตือนตัวเอง ว่ากล่าวตัวเองเขียนตีให้กับตัวเองตั้งความภาคความเพียรตั้งความอดความทนด้วยตัวของตัวเราเองตั้งใจไปเท่าไรคนรายไ ด, ได้เกิดขึ้นที่เราทั้งนั้นคนรายไ ด, ได้ปรากฏที่ใจของเราสว่างร่อยู่ที่ใจของเราเกิดความรู้สึกว่าได้บุญได้กุศลในใจของเรา วินัยก็ต้องไปดูนะพระใหม่วินัยนับตั้งแต่ป ร, ราชิก4สังกายเศียสิบสามอู่หน่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยในยศสองในสุขีโย 92, ปายตีสามสิบปายตีเกปาสิบสองปฏิเทศริยะ4ี่เศขคียวัตเจ็ด 75. สิบ้าชี้คาบทในพระปฏิโมกดูไป เพื่อให้ได้ข้อปฏิบัติวันคืนล่วงไปให้ได้ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่ า, ยาไปอยู่เฉยเฉยเฉลี่ยผาไปทํางานให้กับมันเป็นบ่อยมันจากนั้นแล้วก็สิขาบทนอกปาธิโมกอีกเยอะทนี้ ย, ย, ยมุเล่มสองพูดถึงสิขาบทนอกพระปราธิโมกแท้จริงสิขาบทนอกปาธิโมกนั่นแหละมันเสี่ยงกับการผิดของเราเสี่ยงกับการผิดของเรา สีขาบทในปฏิโมกเป็นสีขาบทหลักเป็นสิีขาบทใหญ่สีขาบทเบทเตล็กเล็กๆน้อยๆอยู่นอกปฏิโมกอยู่ในวินัยมุเลมสองนีหาลองสือดูวินัยมุเลมสองอันนั้นเสี่ยงกับความเป็นอยู่ของเราไปจาําวันมากกว่าสิีขาบทในปฏิโมกนะเสี่ยงกับเรามากกว่าดูวันนี้แล้วก็รีบไปดูวันนั้นดูสิีขาบทนอกปฏิโมก แต่ปร า, ายชิกสี่ต้องดูให้เข้าใจสังคายเศษสิบสามต้องดูให้เข้าใจซะก่อนเพื่อเราจะไม่ไปล่วงละเมิดกับมันทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่มียกเว้นว่าบทเก่าบทให ม, ม่เหมือนยในเหมือนกฎหมายนั่นแหละเวลาคุณผิดคดีนู้นคดีนี้คุณอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้กฎหมายเล่นงานกับผู้ทำผู้ฟาเฟืนทั้งนั้น ทำไปแล้วไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกฎหมายก็เล่นงานได้แต่รู้ถ้าสมมติรู้ว่าผิดกฎหมายอยู่ฝ่าฝืนอันนี้โทษเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งไม่รู้นี่เขายังลอดอาจจะลดลงมาให้ครึ่งหนึ่งมีกฎหมายนะแต่สิขาบทนี่ไม่มีลดเละสมัยพระพุทเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติประราชิกสี่เงี้ย พ, พิสุเสยมถุนต้องอบัติปราชิกพระสุทินเนี่ยเป็นต้นบัญญัตินี่พระสุทินเนี่ยแต่พระสุทินเป็นผู้ทําผิดเป็นต้นบัญญัติพระุติเจา้าไม่ได้ปรับโทษปราชิกถือว่าเป็นต้นบัญญัติเพราะไม่ได้บัญญัติมา ก, ก่อนไม่ได้บัญญัติมา ก, ก่อนต่อเมื่อมาประกาศทํากลางสง์และบัญญัติ จากนี้ไปใครฟ่าฝืนอย่างนี้เสียมถุนต้องอบัดปาราชิกเป็นเป็นมูลบัญญัติต่อมาก็เป็นอนุบัญญัติเสียมถุนทวันหนักทวันเบาเทียบปากเสียบสัตว์เสียบสัตว์เ ส, ส, เสลิงเงี้ยเคยมี ท่านก็ทรงบัญญัติขึ้นมาเป็นอนุบัญญตัติหนึ่งบัญญัติเดิมสองบัญญัติเพิ่มเติมบัญญัติเดิมบัญญัติเพิ่มเติมว่ามันดื้อคนเราปิดประตูช่องนี้มันก็ไปออกช่องนั้นปิดช่องนั้นก็ไปออกช่องนั้นกิเลสมันดือ้อพุทธิยถาทั้งพยายามปิดเหมือนกันปิดช่องนี้มันไปออกช่องนั้น ความดื้อของกิเลสในใจคนหลายชิกสี่พิสุอวดอุตริมนุสธรรมพิสุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายภิกษุรักของเขาได้ราคาห้ามาศกเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ที่เสียงก็คือนี่แหละร <c oughs> ักของเขาได้ราคาห้ามาศกอันนี้เสียง ถามาโศกนหนึ่งบาทเราตั้งไว้หนึ่งบาทมันจะเท่าไรก็ช่างแล้วแหละเรามาใส่เงินเราหนึ่งบาทขอมีราคาตั้งแต่หนึ่งบาทเป็นต้นไปไปไปมีไถ่ย่จิตคิดจะขโมยเอาไปเอาทำปรับบัตรปร่อยชิกแปลว่าผู้แพ้แพ้สิคราบทนี้แหละแพ้เพศของตัวเองแพ้พรหมจรรย์ของตัวเองอเป็นผู้พ่ายเป็นผู้แพ้ ปาราชิกปาราชิกปาราชิกกะแปลว่าผู้แพ้สิขาบทปรับอาบัติปาราชิกให้เป็นผู้แพ้ผ่ายแพ้ไม่มีสังวาสไม่มีความเป็นพระเหลืออยู่เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพตะเผื่อธรรมหากินกับล้มละลายถูกก็อฟ้องร้องล้มละลายหมดสมรรถภาพแกไขอะไรไม่ได้ สังวาสหาสังวัตเสมอไม่ได้นวเสสะไม่มีส่วนเหลือเป็นอบัติที่ไม่มีส่วนเหลือเลยสังขารทิเศษยังมีส่วนเหลือสังขายเสดสิบสามข้อเนี่ยยังมีส่วนเหลือยังไม่ขาดจากความเป็นพระสังขารทิเศษแต่ปราชิกเนี่เป็นอนวเสสะไม่มีส่วนเหลือเลยไม่เหลือความเป็นพระเหลืออยู่ละ กล้ในในเสยดยังมีความเป็นพระเหลืออยู่แต่ต้องผ่านกรรมผ่านจากอำนาจของสงฆ์อยู่กรรมอาศัยกาลังสงฆ์อยู่กรรมไกลเสียด13ไปดูสี่ขาบทที่เสี่ยงที่สุดข้อ1น่ข้อ2องข้อ3ข้อ4เกี่ยวกับผู้หญิงข้อ1เกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะไปดูให้ดีย่ามาบนที่หลังแล้วตามแก้ที่หลังยุง่ง สังาที่เศษสิบสามนัยยศสองนี่ก็ต้องระวังในที่รับหูในที่รับตาในที่รับหูอยู่ไกลมองเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรอันนี้ถ้าจะปรับได้ก็ปรับอวบัะสังขาเศษปรับอวบัดปฏิตีปรับอวบัรป ร, ปราปรชิกไม่ได้อันนี้ กายเสเซนวะปาจิตเยนวอืะแต่ถ้าเป็นอยู่ยในที่รับตาเอออันนี้ปรับอาบัติได้ทั้งสี่อย่างปายจิกีนวาสังขารเซเซวะปาจิตตเยนวาปายชิกก็ได้สังขายเสียก็ได้ปาจิตตี <c oughs> ก็ได้ <S <S เพราะอะไรเราได้ยินแต่เสียงไม่รู้ตัวมันเอากันหรือเปล่าเอี พระเ่าจึงปรับอับัตปรายชิกถามว่าอย่างนั้นกันจริงไหมวิจับต้องกันเฉยๆยอมรับว่าจับต้องกันเฉยๆปรับอับัตสังขารที่สหรืออยู่ด้วยกันเฉยๆอยู่ด้วยกันเฉยๆอยู่ในห้องสองต่อสอ<ม>ปรับอับัตปายจิตีอับัตก็คือความไม่ดีของกิริยาที่เราทำนั่นแหละ กิเลสมันรูปคลําในหัวใจแล้วถ้าไปมีกิริยาต่างๆเราเนี่มาเกี่ยวข้องแล้วกิเลสในหัวใจดวงนั้นมันรูปคลําในหัวใจแล้วมันหาช่องหาช่องที่จะทําลายตัวเองตลอดระยะตลอดเวลาอพรางท่านจึงปล่าเป็นจิตใจที่อ่อนปวกเปียกละไม่มีทําไม่มีอะไรจนถึงขั้นว่าไม่มีสินขาดจากความเป็นพระ ใช่ครบทต่างๆแล้วนี่เราต้องดูต้องศึกษาอันนี้ยศสองวินศึกย์ไปจะตี30เกี่ยวกับวินทบบาทเกี่ยวกับใช้สิ่งใช้ของเกี่ยวกับถึงเงินถือทองเงินทองเงินก็ตามทองก็ตามพุทิยาท่านห้ามไม่ถือห้ามไม่ถือห้ามไม่จับต้องเป็นวัตถุอนามาตย์อีกต่างหาห้ามไม่จับต้อง แต่ก็มีสิขาบทบางสิขาบทบอกว่าใครลืมเงินลืมทองไว้ในวัดเก็บได้ไม่เปล่าะบัตรเก็บได้เพื่อเอาไว้ให้เขาเหมือนอย่างพระอนนท์เก็บมหาลดาปราสาทขาองนางวิสาขาและประดับเพชรประดับพลอยประดับทองประดับสารพัดประดับทองประดับเงินประดับเพชรประดับพลอยมหาลดาปราสาทขาองนางวิสาขา นาถาเป็นที่กะเศรษฐีไม่ใช่เป็นลูกของไข่นาวิสาขาพ่อทำมหารดารา萨ให้หมดเงินตั้งเท่าไหร่80โกด90โกดเป็นมหาเศรษฐีเเป็นหลานของเมธะกะเศรษฐีนาวิสาขาเป็นหลานของเมธะกะเศรษฐี เป็นลูกของปุณณวัฒนกุมารนากวิสาขานี่ไปแต่งงานก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธากับพระาศาสนากับพระพุทธาศาสนาแต่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ขี้ถีเป็นเศรษฐีที่ตะหนีทีเหนียว มีโรคชื่ออะไรเนาะมาแต่งงานกับนางวิสาขานี่เราดูนานแล้วเราลืมแล้วนะนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีพอสามีพอแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านสามีพ่อของสามีนับถือเดรัจฉีนับถือฉีบเปลือยอมอยีวันหนึ่งเขาเรียกนางวิสาขาให้ไปไหว้พระอาหารหันต์ของเขา นางวิสาขาไปเห็นโอ้ยเราจะกราบว่าอะไรคนไม่มีอย่างอายอย่างงี้เราจะกราบว่าได้ยังไงคนไม่มีอย่างอยายคนเป็นพระโสดาบันเด้นางวิส า, าขามิคารเศรษตีปตาคือชื่อมิคารเศรษตีมิคารเศรษตีเห็นนางวิสาขาไม่ไปกราบไปไหว้เครียด อ่าหาเรื่องจะหาเรื่องจับผิดแล้วทอนี้นี่เรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วจับผิดเรื่องที่สองจับผิดว่าเอ๊ชื่ออะไรนาะพ่อของวิสาขานี่สอนว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้านะวันนั้นเราได้ยินว่าพ่อเธอสอนอย่างนี้นะ่ะไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเวลาคนอื่นไม่มีไฟใช้เราจะไม่ให้เขาเลย อย่างนั้นอย่างงี้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเห็นถือเห็นเธอถือโคมไฟไปอะไรกลางค่ากลางคืนไปที่โรงโรงวัวเนี่ยโจดได้หาเรื่องยังไม่ยอมนะยังหาเรื่องยังหาเรื่องตอนหลังตอนหลังมาที่จะเรื่องจะแดงขึ้นตอนตอนเรื่องที่จะแดงขึ้นเนี่ยเทียดอย่างหนักเลยเอาไม่อยู่ละ มีคาระพ่อตาเนี่ยเอาไม่อยู่ละมีพระไปบินท บ, บาทมีพระไปบินท บ, บาทท่างกะยืนอยู่หน้าบ้านเสร็จทีนางวิสาขาก็ด้วยความกลัวพ่อของสามีไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะก็ยังไม่ไม่เคยยังไม่เคยขอโอกาสเขาว่าจะขอใส่บาตรแล้วยังไม่เคยขอกลัวพ่อเสร็จทีไอ้กลัวพ่อของสามีก็เลยนิมนต์นะท่านยืนเท่าไหร่เสร็จนทะีก็นั่งก้มหน้า เสวยนั่งกรมหน้ากินอาหารเชยพระก็ยืนไปนางวิสาขาเขานั่งพัดวีให้ให้พ่อสามีนั่งพัดให้ให้นี่มันโปรดเขาหน้าเจ้าขา้านี่ยมันโปรดเขาหน้าเจ้าค่าพ่อสามีของฉันกำลังเสวยของเก่ากำลังบริโภคของเก่าอยู่เพรียดเลยเครียยังหนักเลยนางวิสาขาพูดว่ากำลังบริโภคของเก่า มีคาระกินวัลุกสุภัยนี่ว่าจะของกินของเก่ากินอุจจาระกินอะไรไปอย่างนั้นนะเคียดอย่างหนักเลยตอนนี้ไล่ออกจากบ้านเลยไล่ออกจากบ้านพอไล่ออกจากบ้านไปนังวิสาขาก็ไม่ไปเพราะตอนมาอยู่บ้านสามีเนี่ยพ่อแต่งทนายให้มาแปดคนเป็นบัณฑิตทั้งนั้นแหละ ตมามมถ้ามีเรื่องมีราวอะไรที่บ้านสามีให้ชาระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกลั บ, บก็เลยเรียกทนายมาชาระความเลยทนเอมาชําระความอพอเขาเอาวิสาขาก็ว่ า, าเลยว่าเธอว่าเราอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้เธอดูถูกเราอย่างงี้อย่งงีงง้พวกทนายก็เลยมาถามว่าเออ เดียวเขาใช้สรรพนามว่าไงนอเขาใช้เขาใช้สรรพนามดีนะเรียกนามิสาขาว่าได้ว่าให้กับพ่อสามีอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมว่าอยู่แต่ความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ว่าพ่อสามีความหมายนั่นน่ะที่แท้จริงว่าพ่อสามีของตัวเองนั่นน่ะกําลังบริโภคบุญเก่าอยู่บุญใหม่ไม่ทําเนี่ย มันไม่ใช่ไอ้ของเก่าเหมือนอย่างที่เข้าใจนั่นดอก mm hmm. เพราะบุญใหม่ไม่ทำมีพระมาบิทะบาตอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่ยอมใส่ก้มหน้าบริโภคอาหารอยู่นั้นแหละสามีพ่อสามีของลิชันกำลังบริโภคของเก่าอยู่นิมนต์ท่านไปโปรดข้างหน้าเนี mm ่ย hmm. ก็บอกอย่างนี้แต่ความหมายมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เลยตกไปอ้ตกไปมั้ <laughs> มันไม่ได้ว่ากูกินของเก่าตัวนี้ไม่ได้ว่ากูกินจองฉตัวนี้ยังไม่จบอืมตอนพ่อเธอส่งมานี้บอกว่าไฟในห้ามออกเอาห้ามเอาออกไฟนอกห้ามเอาเข้าอทําไ ม, มใจร้ายกับเจ้าบ้านถึงขนาดนั้นนางก็นางก็แก้ฝังว่าไฟในอย่านำออกหมายความว่าเรื่องในครอบครัวของสามีอย่านําออกไปพูดข้างนอก เรื่องข้างนอกบ้านของสามีอย่าเอามาพูดในบ้านของสามีนี่เรียกว่าไฟในอย่านําออกไฟเนอ่าอย่านําเข้าตกไปอีกนักวิสาขารแก้ตกไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไฟหุงต้มเหมือนอย่างที่เศรษฐีเข้าใจไม่ใช่ยังมีอีกมีอยู่คืนหนึ่งเห็นเธอใส่ตะเกียงไปอะไรที่รงบัวดึกๆดื่นๆน่ะไม่ถูกกับนิสัยของสตรีคืน นางก็บอกว่าวัวของนางเนี่ยมันตกลูกถ้าปล่อยไว้จนสว่างกลางวันกลัวจะตายต้องรีบลงไปช่วยมันวัวมันออกลูกก็เลยาพาคนใช้พาไปดูแลมันนี่นางวิสาขอตอบนี่ตกแก่ตกหมดนะแก่ตกหมดมีอะไรอีกข้อหนึ่งมีอะไรอีกข้อนึงนางงนางแก่ตกหมด พอแก้โตกหมดแล้วก็พ่อของสามีก็หมดเรื่องที่จะโจทที่จะว่าแล้วมหมดเรื่องที่จะโจทที่จะว่าแล้วอา้าวพวกเราเตรียมขบวนออกเดินทางได้แล้วโอ้ซ้ไ อ, อ, อ่พ่อตายตกใจใหญ่เลยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ้าวเตรียมบริษัทบริวารเตรียมขบวนออกกลับบ้านเร า, เาไว้นะหน้าวิสาขาได้ โอ้เศรษฐีตกอกตกใจเลยขอโทษขอไผยลูกสะพายได้ทีนี่ขอโทษขอไผยลูกสะพ้ายขอโทษขอโทษเราไม่ได้ต้องไปขอโทษพ่อของเราขอโทษพ่อของเราคือไปขอโทษพระพุทธเจ้าอืถ้าจะให้เราอยู่เราก็อยู่ได้ถ้าจะให้ดิฉันอยู่ดิฉันก็อยู่ได้แต่จะต้องอนุญาตให้ดิฉันทําอย่างนี้นคืออ่าให้นิมน พระเจ้าประสงค์มาให้ได้ได้ให้ได้ทำบุญใส่บาตตามความประสงค์ตามความต้องการหรือทุกวันขออนุญาตให้ไปฝังเทบพบุติเจ้าได้ทุกเท่าที่มีความจำเป็นอยากไปด้วยเหตุที่มีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์สาวกขอถือโอกาสอย่างนี้ขอขอขออนุญาตจากสามีภริยา จากไ อ, พอ้พ่อพ่อของสามีมีคาระเศรษฐีก็เลยอนุโลมให้หมดอนุญาตให้หมดขอให้แต่นางอยู่เพราะนางไม่ผิดเนี่ยนางไม่ผิดลูกสะใภ้ของตัวเองไม่ผิดนะนางวิสาขาก็นิมนต์เลยแหละ ว, วันรุ่งขึ้นนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกห้าร้อองค์มาฉันมาฉันพัฒนาฐานที่บ้านโตบ้านมีคาระเศรษฐีไม่เคยมีพระสงฆ์สาวกขึ้นไปฉันเลย มีแต่เชิญพวกอเจลกอเจล ก, กะของเขานั่นแหละไม่นุ่งผ้าไม่ห่มผ้านั่นแหละไม่นุ่งผ้าไม่ห่มผ้าอันนี้พอนี้มุนทุติเจ้าไปไปฉันปัสตาหารวมทั้งพระสงฆ์ด้วยพวกอเจลกทั้งหลายกเขาก็าพยายามดึงเอาไว้โอ้จะปล่อยให้มีคาระเสียถีไปฟังพุทธเจ้าเสร็จพุทธเจ้าเอาไปแน่แน่เละหมดที่พึ่งแล้วเรา ง, งมันเถอะเลยมาขออนุญาตอาจารย์ของตัวเอง อาจารย์นั่นคือพวกชีพเลือนนั่นแหละขอไปฟังเทศขอไปฟังเทศพระพุทธเจ้าคือในบ้านนั่นแหละะเออไปฟังได้อาจารย์ครับไปฟังได้แต่ให้เอาม่านกั้นเอาไว้เอาม่านกั้นเอาไว้ให้เอาม่านกั้นเอาไว้เออกั้นกับกั้นยี่งคาระก็ไปฟังฟังนอกม่านฟังไปฟังไปฟังไปเมื่อ ได้ถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้ได้เป็นพระโสดาบันเลยเลยชมชอยลูกสะพ้ายเรียกเรียกลูกสะพัายว่าแม่เรียกเขาเขาก็พูดแปลกแปกหมนกันนะในในตำราเขาบอกว่ามีคาระเนี่ยคลานไปด้วยความเคารพในลูกสะพายของตัวเองคลานไปคลานไปดูดนมของลูกสะพ้ายนี่ เนี่ยคือยอมรับนับถือนางวิสาขาว่าเป็นแม่ตัวเองทาเหมือนกับเป็นลูกมิคาระเศรษฐีจึงได้ชื่อว่านางวิสาขาจึงได้ชื่อว่านางวิสาขามิขารมาตาวิสาขามิคารมาตานางวิสาขาเป็นมารดาของมิขารเศรษฐี นี่เห็นไหมรู้จักฤทธเดชของพระอริยบุคคลไหมแม้เป็นแค่พระโสดาบันนักวิสาขาเป็นพระโสดาบันตลอดช่วยพระเจ้าช่วยพระสงค์สาวกมาตลอดขอพร น, นู้นขอพรนี้คําว่าขอพรคือคือขออนุญาตขออนุญาตถอยผ้า น, นู้นขออนุญาตถอยผ้านี้อต่อมาก็ขออนุญาตสร้างอาราม ขออนุญาตสร้างอารามปุพพารามขออนุญาตสร้างอารามคือปุพพารามขออนุญาตพระพุทธเจ้าสร้างอารามสร้างพระสาทพันห้องถวายพระพุทธเจ้าถวายไว้ในพระศาสนาทีนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าก็เลยไปลืมมหาลดาปราสาทนี่แหละเอาไว้ พระอนุนเก็บไว้ให้นะ้ำวิสาขาพระอนุนเก็บไว้ใหน้นาวิสาขานี่เลยรู้รู้ว่าลืมไว้ที่วัดแหละเลยให้คนใช้ไปเอาให้คนใช้ไปเอาให้คนใช้ไปไปถามไปถามว่าพระอนุนท่านเก็บไว้โอ้ถ้าผู้เป็นเจ้าพระอนุนท่านเก็บไว้แล้วอ ย, อย่าไม่เอาไม่เอาอย่าไปรับคืนมาท่านถึงมือท่านแล้วท่านจับแล้วอะไรแล้วไม่เอา ถวายท่านเลยถ้าท่านจับแล้วก็ถวายท่านเลยอในที่สุดพอทํำนี่แหละทําแต่ท่านก็ให้เอามาให้เอามาก็ยเลยจําเป็นจําใจเอามาแต่ก็ถ่ายถอนมาเท่ากับราคาที่ทำนั่นแหละถ่ายถอนมาทั้งหมดเลยเอาจํานวนกันที่ถ่ายถอนนี่แหละไปสร้างไปสร้างวัดนี่ดูคนมีปัญญาก็ทำเละ คนมีปัญญาเขาทำไปสร้างวัดชื่อว่าวัดปุกพารามพรุทธเจ้าก็ไปเสวยไปฉันไปพักไปอะไรวู่ที่เชตตะวันนักวิสาขาปุกพารามปุกพารามพระเชตตะวันเนี่ยอยู่ด้านทางทิศตะวันออกของเมืองสาวสถีหรือยังไงเนี่ย เชโตเอเอเเมื่ออ อ, อ, อปุภารามเนี่ยได้ชื่อว่าปุภารามด้านทิศตะวันออกประเทศตะวันอยู่ด้านตะวันตกหรือยังไงเนี่ยจำไม่ได้ตามแบบเลนในอินเดียเนี่ยนี่คือต้นตํานานต้นตํานานพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยใครจำได้พูดถึงเรื่องอะไรถึงได้พูดมาถึงนี่เราพูดถึงของมีค่าตกในวัดอ่า ปกติเงินทองพุทธเจ้าท่านห้ามจับห้ามผสมจับแต่ถ้าของตกอยู่ในวัดท่านให้พระเก็บเอาไว้จับได้เอามาเก็บไว้ให้เจ้าของเขาถ้าไม่เก็บเอาไว้เจ้าของเขาท่านปรับอบัตมีคนมีคนเขาหน้ามาเห็นมาเก็บเอาไปทําให้ของของเขานี่ต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นท่านจึงวางอาบัตปรับอบัตไว้ถ้าเห็นแล้วไม่เก็บเอาไว้ท่านปรับอบัตเห็นแล้วกลับจับเก็บมา เป็นเงินก็ตามเป็นทองก็ตามจับมาถึงจะเป็นวัตถุอนามาตก็ตามแต่เป็นพุทธานุญาตเป็นพิเศษคือของที่ตกไว้ในวัดมีเราพูดลามมาจนถึงนี้จับถึงเงินถึงทองรับเงินรับทองการรับเงินรับทองทีแรกพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้รับนะพรงทรงห้ามไม่ให้รับตอนต่อหลังมาก็เมนทักเกษตีนี่แหละไปขออนุญาต ไปขอพรว่ากุลบุตรผู้ที่ออกมาจากสกุลที่สุ ข, ขุมริฉาิมีอยู่การจะเดินการจะขบใจฉันการจะกินจะอยู่การจะนุ่งจะหม่มจะอะไรอะไรมันต่างกันนะคนเราต่างกันไปประรบเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทรงผลผันให้เอ อ, อย่างงั้นรับได้ แต่ห้ามภิกษุยินดีในเงินในทองนั้นให้ยินดีในของที่เขาประวารณนาให้ยินดีในของเช่นอย่างภิกษุขาดเขินผ้าเนี่ยมีคนเขารับปัจจัยไว้ให้แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าจะเอาไปใช้สอยอะไรที่ควรแก่สมณะบริโภคห้าร้อยบาทโอ้เราผ้าเราขาดพอดีเนาะเราต้องการผ้าน ะ, นะ ไปเอาผ้าของเรามาไปไปเอาผ้ามาให้เราแต่ถ้าราคาเกินกว่า500บาทนี่ยถือว่าไม่ได้เพราะในนั้นเขาบอกว่าให้เรียกร้องจากวิยวัชกรตามเท่าราคาเท่าราคาในนี้ที่เขาระ บ, บุไว้นห้าร้สมมุติห0าร้อบาทถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้ละเอาเฉพาะเท่าราคานั่นแหละนี่คือการผรวาวรณาการผรวาวรณาคือผราวารณาด้วยปาก แล้วก็ภาวรนาด้วยใบภาวน า, าที่พวกคณะสงฆ์เราใช้กันอยู่นี่ก็คือภาวนาด้วยใบภาวาณาเดี๋ยวนี้พระทั่วๆไปก็มักจะหลวมสิขาบทข้อนี้ไปแล้วเลยลวมพรวมละรวงมวันนั้นเราไปเทศที่นู่นเขาก็เอาเงินใส่ซองมาเลยอ้าจ้างปางมาเลยเนี่ยอามาให้เอ้าไหนใบภารณาหาได้หาใบภารณาเลยที คือคนคนที่ทำไม่เข้าใจไม่ได้ดูหน้าของพระเห็นว่าตรงนั้นทาอย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ดูหน้าพระเรื่องเหล่านี้เราถือเถอะตั้งใจถือตั้งใจถือไปเอาเป็นเอาจริงเอาจรังเ ข, ข่าไว้เราไม่ขาดทุนจุนดอกเรามีแต่จ ะ, จะผลิต ด, ดอกออกผล เราเจริญงาะเงยในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่เป็นการหย่อนยานของเล็กๆน้อยๆเองแล้วไม่จําเป็นต้องจับต้องถือต้องอะไรต่วไหนมันมีวิธีที่จะทําได้อยู่ตามที่โบราณอาจารย์ท่นานพาทำมาอืตามที่คณะสงฆ์เราพาทำ ม, มาคณะสงฆ์ธรรมยุทธเราพาทำรร ม, มาแต่ทุกวันนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเราเนี่ยบางเห็นก็ละหลวมไปตามข้อหมดแล้ว ถือมันถือทองถึง อ, อะไรแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเคล่งกว่ามาในกายเขาก็มันมันก็พอๆกันเลยนอกอย่างนั้นแล้วบางคนยังออกจากทำยุทธไปขึ้นกับมานิกายอย่างนี้ก็มีนี่เรารูด้วยความอ่อนเอะความ อ, อ่นเอะในใจของคนเรารเราสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกถูกต้องที่โปรองทสว่างไว้แล้วไม่เอา ให้คีเลนมันก็สิบก็ะซาบแล้วก็ให้เห็นความสําคัญว่าเอออย่างนี้จึงเป็นกว่าอย่างนี้จะเป็นกว่าเาชื่อคีเลนแล้วก็เชื่อตามมันแล้วก็ทํำละหล้วมตัวเองใ ห, ให้ทำตามมันไปจนเกือบจะเน่าเฟะแล้วล่ะไปรู้สึกตัวดำเหมือนหลังหมีท่านบอกว่าไงนะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราทําจนเป็นจริตเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราทํายากนะเราไปละล้วมอย่า mm. งนั้นไม่ได้ มันไม่ได้เลยมันเมือนก็ข้ามอะไรกำแพงยังใหญ่โตทีเดียวนะถือให้ได้นิสัยอย่าไปถือสักเพว่าถือเฉยแล้วก็ไปตีความหมายเอาเองโดยที่ไม่าำนึงถึงโบราณจารย์โดยอเฉพาะอยิ่งพทุทธเจ้าต้นต่อของสิกขาบทสิกขาบทใดก็าตามที่เรา ล, ลึกได้แม้แค่เส้นผมเส้นเดียวก็อย่าไปเดินข้ามอย่าไปมองข้าม อย่าไปตั้งใจล่วงละเมิดตั้งใจที่รักษาศิกขาโดยแท้เพราะนี้สงของการตั้งใจรักษาจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ตั้งใจรักษาศิกขาบทแท้ที่จริงผู้ที่ตั้งใจรักษาอย่างยิ่งยวดอย่างคร่าเคร่งต่างหากได้รับความเคารพได้รับความเชิดชูได้รับความยกย่อง จากผู้ประทับอํารุงที่มีปัญญาที่มีปัญญาเราสังเกต ด, ดูที่สังเกต ด, ดูไปเถอะยิงเวลารวมและเทะเล้วหลสักขนาดไหนบางทีไปเรืร่ออะไรไปบอกไปขออะไรเขาเฉยเขาไม่สนเขารู้ว่านี่แหละพวกนี้แหละพวกนี้แหละไปบบกรถขอขึ้นรถเขานี่เฉยเขาไม่สนเพราะมันมีมันก็มีกรรมมันก็เป็นกรรมในตัว แต่ตรงตรงข้ามพวกที่ถืออย่างคร่ำ เ, เคร่งเครียดเนี่ยเขาให้ความเคารพให้ความนับถือแล้วก็กรรมมันก็ช่วยอีกเดินไปทดลงไปเนี่ยข้างทางเนยโอ้ยลาคาญแต่คนจะมาจอดรถให้ขึ้นตรงกันข้ามเราเป็นพวกนั้นแล้วเนี่ยจอดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนมีนู่นมีนี่็นแลกไปเปลี่ยนไปขายไปอะไรให้เขาอีกตั้งหา การสแสวงหาแบบนั้นสแสวงหาได้น้อยมากแต่ตรงกันข้ามถ้าเผื่อเราตั้งใจรับตั้งใจปฏิบัติตามสิกขาวิไนของเราอย่างคร่ำเคร่งตลอดมันยิ่งได้มากกว่าไม่ต้องสแสวงหาเลยมาเองนี่เรามาเทียบยูตรงนี้แล้วทำไมเราไม่ตั้งใจอยู่สบายสบายปฏิบัติสิ่ให้เคร่งปฏิบัติทรามให้เคร่งสิ่งร้านะมันมาเอง กับที่เราไปตั้งใจแสวงหาตัวเองใหาจะเป็นจะตายได้นิดหน่อยไม่เห็นคุ้มค่าเลยก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบเสีอีกทําให้ตัวเองตกต่ําลงไปอีกนี่มันน่าคิดเหมือนกันนะสติปัญญาของของเราทองคนเราเนะี่ยบางคนเขาต้องให้เขาต้องว่าให้ด้วยบางทีก็ทําอย่างน่ากเกลียดกันนะบางคนเราเคยไปเห็นงานบางงานเนี่ย พวกที่แสวงหาแบบนี้นี่มีอะไรมลกพิมพ์อยู่เต็มมือเนี่ยมีรูปครูบาอาจารย์ไปเดินเห็นใครเซ่อๆๆไปแล้วไปยื่นให้ยื่นให้แล้วของเงินด้วยสิบบาทแพลตสิบแพลตสิบของเงิน <laughs> ยื่นให้แล้วของเงินนะมีไ <laughs> ม้หมาวามว่าไงไอ้ยังอยู่ในมือเลยเต็มมือนี่ก็มีอย่าง่าย่ยอย่างนี <laughs> ยังจะใจ่าให้คนอื่นอีกเลขอเงินเฮ้ยโอ้ยเราเห็นแล้วโอ้นี่เราเห็นพอดีเขาทํานี่เออนี่ผู้หญิงคนนี้นี่โดนแล้วโดนก็ ด, ดเขาบังคับโดนก็บีบคอแล้วให้ฟ้บเขาก็ยืนคออยู่นั่นแหละจ่ออยู่นั่นแหละตาก็สอดสายดูคนอื่นอีกใครบ้างมองหาเหยือ่อ มองหาเยื่อรายต่อไปมีอยู่นะเป็นกิริยาที่น่าเกลียดมากๆเลยเรามาฟังแล้วพิจารณาดูว่ากับการที่เรามาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ให้ให้ตรงเป้าตามนั้นรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปตั้งใจปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไปกับมีคนเขา้ามาช่วยเราอย่างเหลือเฟืออย่างนี้ ทำไมเราไม่ตั้งใจเอาและคุณสมบัติทั้งหมดความดีทั้งหมดก็เข้าสู่หัวใจของเราอย่างเดียวเสด้วยนะอันนั้นได้มาแต่งเงินเฉยๆชื่อเสียงเกียรติคุณคุณสมบัติในหัวใจถูกเจ้าของเหยียบย่าเจ้าของเองจมตกต่ําลงไปไม่รู้ถึงไหนกันมึงเลยไปงานต่างๆต้อ ง, งระวังเรียนนี้ประเภทนี้มันมีเยอะบางทีถึงกับหยิบกับช่วยเอาเองเลยนะสิ่งของไม่คํานึงว่าอะไร เคยมีคนเขาเห็นเขาเดินหยิบช่วยเอาเราไม่เคยเห็นเขาหยิบช่วยอย่างอื่นเราเคยเห็นแต่เคหยิบชวยกระดาษกระเป๋าเขานี่ยบักใหญ่เลยแหละเห็นเห็นกระดาษก้อนเฉยๆธรรมดาเนี่ยเห็นในในในที่งานหยิบใส่หยิบใส่เราเคยเห็นอยู่อเเเอเนี่ยมันเอาไปดีตัวเนี่ยใช่เราไปแตะไม่ได้นะแตะดีเมื่ดีเอาตายอ่ะ แตะไม่ได้นะนั่นนะบางคนตำรวจยังกลัวเลยตำรวจไม่กล้าไปยุ่งต้องระวังมากๆเลยแบบนี้แล้วไปทำทำไมมาตั้งใจปฏิบัติทำรักษาศีลให้ยิ่งๆกับเขาเอามาให้อย่างเหลือเฟือนี่ทำไมไม่ตั้งใจเอาเราคิดพิจนารณาในแง่เหตุผลแล้วเอามีน้องกรรมอะไร ถ้าเราสมัครจะเป็นพุทธบุตรแล้วเราก็พยายามตั้งใจทําตามข้อปฏิบัติของท่านเท่าที่เรามีความสามารถตั้งใจทำใํำมาเถอะไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรเสียหายนอกจากเรื่องศีลแล้วก็เรื่องธรรมเรื่องธรรมเราก็ตั้งใจทํจจาไปมีสติกําหนดจดจ่อพิจารณาไปอารมณ์โลภเข้ามาก็ปัดออกอารมณ์อารมณ์โกรธเข้ามาก็ปัดออก อารมณ์รักอารมณ์ชังเข้ามาก็ปัดออกอิจฉาริษยาโผล่เข้ามาก็ปัดออกจะมาความมับความมับความมับยอมเป็นทาสมันอันนี้ก็อันนี้ก็ยิ่งละเอียดก่าเรื่องศีลอีกเราจะได้เช็คและตรวจสอบดูว่าเราเนี่ยมันมีน้มัยาไหมอะไรมาความมับอะไรมาความมับ รู้อยู่เป็นฟืนเป็นไฟความมับมากอดมาก ร, รมอยู่นั่นแหละให้ระวังให้ดีเทียบเหตุเทียบผลแล้วับดูไปที่ใจของตัวเองแล้วตั้งใจปฏิบัติอย่าลบตัวให้กับให้กับมันง่ายๆต้องระวังด้วยการสำรวจระมัดระวังกิริยากายกิริยาวาจา กิริยาใจการตั้งใจสำรวบระมัดระวังอย่างยิ่งยวดมีแต่ผลมีแต่อเนสง์ให้กับจิตดวงนั้นไม่มีใจะให้ขาดทุนสูญดอกอ้ยเสียเปรียบเขาเ้ยหลวมให้เขา ห, หัวเบาให้เขาไม่มีเลยตั้งใจสำหรับระวังตามนี้ได้ไม่มีไมีมไม่มีตกต่ำไม่มีเสีย อะไรเกิดขึ้นปัดออกอะไรเกิดขึ้นปัดออกอะไรเกิดขึ้นปัดออกอย่าไปเสริมมันเอาไปฟังแล้วไปพิจารณาดูเสริมมันก็ได้โทษทันทีเสริมก็ได้โทษทันทีดูมันกําลังป้อนอะไรให้เราอีกต่อมาระลอกประมาดูมันกําลังจะป้อนอะไรให้เราอีกดูยังจะรับอยู่หรือมาตี๊ยมอีกโผว่าตีมันอีกโผล่าตีมันอีกฟาดมนอีก เอาอะไรฟาดเอาสติฟาดเอาสัมปชัญญะฟาดเอาปัญญาฟาดเข้าไปเดี๋ยวไปถือไม้กระบองอะไรฟันคนเดียวก็ว่าคนเป็นบ้าเลเอาสติเอาปัญญาฟาดเข้าไปฮนะหมดไม้หมดมือไม่มีอะไรฟาดด่ากล้องโลกกระทะเรียดน่ะด่าข้างในใจอย่าไปด่าเสียงออกมาเลยเดี๋ยวเขาว่าบ้าอีกอย่าไปเสีย ด, ดายมัน โกรธให้มันเครียดให้มันเสียดายแต่คุณงามความดีให้กับตัวเองเสียดายเกียรติประวัติของตัวเองรักษาเกียติประวัติให้ดีเสียดายความดีให้กับจิตใจของตัวเองรักษาความดีให้มากอันไหนไม่ดีทิ้งอันไหนไม่ดีทิ้งอันไหนไม่ดีทิ้งสิ่งไม่ดีก็คือไม่ดีเป็นมูดเป็นคูด่ดอมมาทําไมมีการดัตงดิ ตรองไข่ครวนในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนมีปัญญาเอานะเราสมควรเก็บเวลาเนาะไปสามทุ่มครึ่งแล้วใ ว, วันนั้นใครยังไม่ได้ขอเนื้อใสะะ่แล้วเพระใหม่ใครยังไม่ได้ขอเนื้อใสฮะพระใหม่เท้องไหนยังได้ขอหมดเลยนะฮ ะ, ฮะได้ขอหมด ขอหมดนั่นแหละพระใหม่ได้ไหมฮะพระใหม่จะรั ด, ดอ๋อได้กับพระใหม่ที่มาวานเ่งได้ไหม <c oughs> อะไรนะท่านพธิหรืออะไรชื่ออะไรได้ไหมฮะ ท่านอะไรผาสกรได้แท่านโพดได้ไหมถ้าได้ก็ขอจะเอาขอ <c oughs> เออไปวันนั้นกลับจะดูนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครัวแก้ให้เป็นนะแก้ให้เป็นโมดการชามะกวาตัวอรหัตสัวสมมาสัมบุรธาสักนา สัมปาเดตา ห่ผมผ้าตอนเช้าไป